i s i n g ไมได่ดีแค่ไหนแต่ฉันก็จะสร้างสิ่งใหม่ให้ดียิ่งกว่าด้วยโชว์ที่ซาริสต์และด้ชื่อว่าเป็นโชว์ของฉันเองมันคิดต้องไม่พักพอรักแครับไม่ไว้